รกราบคำภีจัญญาอาการของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพระองค์นี้ประพฤติอ่อนน้อมย่งเกรงผู้ใหญ่และพระสงฆ์ถ้าพระแบกคำภีเรียนส ม, มนเด็จแบกคำภีเรียนหากท่านไปพบกลางถนนหนทางท่านเป็นต้องหมอบก้มลงเคารพถ้าพระเนนไม่ทันพิจารณาสําคัญว่าท่านก้มตนเคารพตนและก้มตอบเคารพตอบท่านที่นั้นเถอะไม่ต้องไปกัน ต่างหมอะกันแต่อยู่นั่นเอง